ลู่กลู่ซื่อๆอย่าไปลู่แบบหาอย่าไปลู่แบบระมัดระวงังจนเกินไปลู่ก็ใช่ได้แล้วบางทีลู่ที่ตายเสื่อนไว้มา น, นานเกินไปก็วางลงตั้งต้นใหม่แบบอื่นหายใจเพิ่มตาสลับฉากนอกระบบนอกลู่แบบไปก็ได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างก า, ารปรารกความเพียน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 เมตตาไม่เมตต า, ตานิยมไม่มหานิยมไปเอาดีคนก็หลงอย่างนั้นหลงความดีของศาสนาความดีของศาสนาคือทาให้ความโลภความโกรธความหลงเรียบลงความสุขความทุกข์เรียบล ง, เ, บลงเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่แปงตูต่แบบอื่นแต่นี่ก็ถูกตู่กันมากนะถูกตู่กันมาก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 เราต้องนอนลองดูนอนแบบศพไปเลยหายใจรู้สึกตัวมันก็ท้าท้ายต่อความหลับท่าท้ายต่อความเหน็ดเหนื่อยเวลาไม่หลับแต่เวลามันอยากหลับรู้สึกตัวในเวลามันจะหลับมันเหน็ดเหนื่อยหมดแรงรู้สึกตัวขณะที่มันหมดเลี้ยวหมดแรงรู้สึกตัวมันเป็นคนละอันกัน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 ลอยบนข้างทางไม่ใช่บรรลุ่ทำต้องลุยความโรคความโกรธควาลงเลยลุยเลยความทุกข์ความยากลำบากอะไรต่างๆความโปด ค, ค, ความเมื่อยในที่สุดเราก็โอ้ภาษาอะไรนะ้อมองแบบผู้ชนะัดจึงประสบการณ์จึงเป็นบทเรียนของการกระทำของเราเองเราหลงเรารู้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 เราก็กราบพระพร้อมกัน